าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นใครและจะไปไหนกันต่อนี่คือเรื่องที่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ฟังคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจะไปไหนต่อหรือไม่ถ้าไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไม่ได้ไปไหนต่อพอคิดว่าตนเป็นร่างกายพอร่างกายตายไป ร่างกายก็ถูกไปฝังหรือไปเผากลายเป็นดินกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปก็ไม่ได้ไปไหนต่อออร่างกายตายไปตนเองก็ตายไปกับร่างกายด้วยเรียกว่าตายแล้วศูนย์แต่ผู้ที่ได้มาศึกษา ได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปหลังจากที่ ร่างกายนี้ตายไปแล้วและจะไปอยู่ที่ไหนในโลกของจิตวิญญาณก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะมีกำลังมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในซีกของอบายถ้าไปเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายอยู่แบบดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอสุรกาย หรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกเพราะว่าขณะที่ทําบาสมักจะทําด้วยความโลภหรือความกลัวหรือความอาฆาตพยาบาทนั่นเองเมื่อทําแล้วความกลัวความหิวโหยความอาฆาตพยาบาทนี้ ก็จะฝังอยู่ในใจนั่นเองพอไม่มีร่างกายใจก็จะถูกความกลัวความหิวโหยหรือความอาฆาตพยาบาทมาครอบงาดวงวิญญาณของตนทำให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ด้วยความกลัวทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาท นี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปมากกว่าทำบุญในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะไปอยู่อีกสีกหนึ่งซีกนี้เรียกว่าสุกคติซีกที่มีความสุขดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข พมห อ, อยอยู่สุขเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทําบุญทําทานชนิดต่างๆอยู่อย่างสม่ําเสมอทําบุญได้ทุกรูปแบบได้ความสุขเหมือนกันทําบุญกับวัดกับพระก็ได้ความสุขทาบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาล <c oughs> ก็ได้ความสุข ทำบุญกับผู้ยากไร้ก็ได้ความสุขทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ความสุขความสุขเหล่านี้จะสะสมอยู่ในใจซึ่งเป็นเหมือนธนาคาร ที่เราเอาบุญไปเก็บไว้หรือเอาเงินไปเก็บไว้พอถึงเวลาที่เราจะต้องการใช้เงินเราก็ไปเบิกเงินจากธนาคารได้บุญที่เราทำนี้ก็จะสะสมความสุขไว้ในใจพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะได้ใช้บุญนี้เป็น ที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องอยู่ของเราอาศัยบุญให้ความสุขกับเราไปจนกว่าบุญจะหมดกำลังลงแล้วก็จะพาให้เราได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ที่ไปอบายหลังจากที่บาปหมดกำลังลง บาปก็จะปล่อยให้ใจได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จากอบายกับจากสวรรค์นี้จะมีรูปลักษณะคุณสมบัติไม่เหมือนกันผู้ที่มาเกิดมาจากอบายจะมาเกิดอย่างอาภัพวาสนา เช่นมาเกิดยากจนมาเกิดด้วยรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามมาเกิดด้วยร่างกายที่ไม่ครบอาการส2สองเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่ยืนยาวนานแล้วก็มีความไม่ฉลาดมีความโง่ มีนิสัยชอบทำบาปติดตัวมาเพราะว่านิสัยของการทำบาปนี้มันถูกฝังอยู่ในใจตั้งแต่ชาติก่อนๆ น, นั่นเองจึงเป็นเหตุทำให้ไปทำบาปมากกว่าได้ทำบุญนี่คือลักษณะของผู้ที่มาเกิดจากอบายจะเป็นคนที่มี อาภัพวาสนาบารมีในทางตุนกันข้ามผู้ที่มาเกิดจากสวรรค์จะเป็นผู้มาเกิดด้วยวาสนาบารมีได้ร่างกายที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีเงินมีทองร่ำรวยเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย มีอาการสามสิบสองครบสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานมีดิสัยใจคอที่ดีเป็นคนใจบุญใจกุศลนี่คืออนิสง์ของการทำบุญเวลามาเกิดก็จะมาเกิดด้วย บุญบารมีแล้วก็จะมาทำบุญต่อจะไม่ทำบาปถ้าทำบาปก็อาจจะน้อยกว่าทำบุญนี่คืออนาคตของพวกเราถ้าเรายังมีการทำบุญทำบาปกันอยู่ยังมีความอยาก ที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่คือยังอยากมีอยากมีความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะดึง ดวงวิญญาณของพวกเราให้มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆและการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็อาจจะหาโดยวิธีทำบาปบ้างไม่ทำบาปบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สถานภาพของตนขึ้นอยู่กับนิสัยเดิมด้วยถ้ามีนิสัยเดิมชอบหาทําอะไรด้วยวิธีทําบาปก็มักจะใช้วิธีทําบาปถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ชอบทําบาปก็จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นลดโดยวิธีไม่ทำบาปแล้วพอตายไปก็จะไปรับผลบุญผลบาปในโลกทิพย์ต่อไปในโลกของจิตวิญญาณจนกว่าบุญกับบาปนั้นหมดกำลังที่จะเดินเอาไว้ก็จะปล่อยให้ออกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่คือพวกที่ยังมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขอยู่แล้วก็มีคนเอกจำพวกหนึ่งที่เบื่อกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสคนกลุ่มนี้ก็จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือหาความสุขจากการทำใจให้สงบ โดยการนั่งสมาธิเข้าฌานก็จะไปอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชเพื่อเพราะไม่มีความต้องการที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนื่องจากเห็นว่าถึงแม้จะเป็นความสุขแต่เวลามันไม่มีก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างแสนสาหัสจิงอาจจะเข็ดดาม จากการที่จะต้องทุกข์กับการสูญเสียความสุขทางราบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดไปจึงเลยไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการหาความสุขจากการทำใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆได้บุคคลเหล่านี้ถ้าตายไป ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ที่บุญส่งไปสวรรค์ชั้นพรมนี้เป็นสวรรค์ที่ฌานหรือสมาธิเป็นผู้ส่งไปเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่สองระดับระดับรูปประพรมกับอรูปประพรม ผู้ที่นั่งสมาธิได้รูปประชานขั้นต่างๆก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นรูปประชานผู้ทีไ่ได้สมาธิระดับอรูปปัจานก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปปภมแต่สวรรค์ทั้งสองระดับนี้ก็ยังเป็นสวรรค์ที่เสื่อมได้เพราะยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา พอสมาธิหมดกำลังลงชาญหมดกำลังลงเจตก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขแบบที่เคยหาคือไปหาความสุขแบบนักบวชนะเราจึงรู้เราจึงมีคนจำพวกนี้อยู่ในโลกนี้คือพวกที่เป็นนักบวชนะ เราอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงต้องไปบวชกันทำไมเขาไม่อยู่แบบเรามีครอบครัวแบบเรามีความสุขแบบเราก็เพราะว่าเขาเคยมีแต่เขาเข็ดเวลาที่เขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขารับไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาเพราะเขาเห็นว่ามันไม่เที่ยง เขาเลยอยากจะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเสียเสียไปความสุขที่ไม่เสียก็คือความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานขั้นต่างๆอันนี้สามารถเข้าได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีเข้าแล้วแล้วจะ มีความสุขไปจนวันตายจากการเข้าฌานเข้าสมาธิขั้นต่างๆแต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาเติมฌานกลับมาเติมสมาธิใหม่เหมือนกับรถยนต์ที่เราวิ่งไปไหนมาไหนเดี๋ยวเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ํามันถึงจะวิ่งต่อไปได้ พบของมนุษย์นี้เป็นเหมือนสถานีบริการเป็นที่เรามาเติมบุญก็ได้เติมบาปก็ได้เติมสมาธิก็ได้นี่คือการไปของพวกเราหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วเราจะไปตามกรรมของเรา กรรมก็คือการกระทําของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้คำว่ากรรมนี้เป็นแปลว่าการกระทำํำไม่ได้หมายความว่าบาปแต่บางครั้งเราก็ใช้คําว่ากรรมแทนว่าบาปแต่โดยทั่วไปคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำํำก็มีการกระทําหลายรูปแบบกระทําบาปก็เป็นรูปแบบหนึง่ง การทำบุญก็เป็นรูปแบบหนึง่งเข้าฌานเข้าสมาธิก็เป็นกรรมอีกรูปแบบหนึง่งแล้วเมื่อทำแล้วก็จะมีการสะสมผลของกรรมเหล่านี้ไว้ในดวงใจพอร่างกายตายไปกรรมผลของกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์หรือเป็นดวงวิญญาณที่สุข หรือเป็นดวงเวียญาณที่สงบเนะี่ยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราก็จะทําอย่างนี้กันไปเรื่อยๆท่านเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรสังสารวัตรก็คือภพไตรภพที่เราอยู่กันนั่นเอง พวกที่เสพคามพวกที่หาความสุขจากราบยศสลรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดในกามภพผู้ที่เสพรูปประชานก็จะไปเกิดในรูปภพผู้ที่เสพอรูประชานก็จะไปเกิดในอรูปภพก็จะเวียนไปเวียนมาอย่างนี้พอไปสวรรค์ไปอบายหรือไป รูปภพเรื่รรองเราภพแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กํามาเกิดเพื่อมาเติมบุญเติมบาปเติมฌานกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันที่สิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ที่จะรู้วิธีที่จะดึงดวงวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในใต้ภพ ที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดของตายภพนี้ให้ออกจากตายภพไปได้เพราะพระพุทธเจ้าจะส่งมีความขวนขวายส่งไม่ปรารถนาที่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆจึงได้ส่งค้นหาทางที่จะออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดพอได้สงค้นพบทางพระองค์ก็เป็นผู้ที่หลุดออกจากไต้ภพเป็นคนแรกพอได้หลุดออกรู้ทางว่าจะออกจากใต้ภพนี้ออกอย่างไงก็กลับมาสั่งสอนผู้ที่ติดอยู่ในใต้ภพอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีความปรารถนา ที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายการอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้เราก็จะทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันต้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ปิดประตูอบายก่อนก่อนจะออกจากตายพบได้ต้องปิดประตูอบาย การปิดประตูอาบายก็คือระ ง, งับเหตุที่พาให้ไปเกิดในอาบายคือการกระทำบาปหข้อด้วยกันคือ1การฆ่าสัตว์2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดประเวณี4การพูดปดและ5การดื่มสุรายาเมาและอาบายามุกอื่นๆเช่นการเล่นการพนัน การเที่ยวเตะก็ความเกียดค้านและคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะอบายมุขนี้เป็นผู้ที่จะถักดันให้จิตใจต้องไปทำบาปนั่นเองเนื่องจากอบายมุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเสีอบายมุขไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาไปทำมาหากิน หาอะไรได้เงินทองที่มีอยู่ถ้าใช้กับการเสพ บ, บายามุกต่อไปก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทาบาปนั่นเองไปหลอกลวงโกหกหลอกลวงไปรักทรัพย์ไปช่อโกงหรืออาจจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้ได้เงินทอง มาเสบอบายามุขต่ออย่างนั้นทำต้องการจะปิดประตูบายไม่ทำบาป ก, ก็ต้องอย่าไปเสภอบายามุขด้วยอย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวตรอย่าคบคนอย่าเกียจคร้านอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเป็นเพื่อนเพราะถ้าคบกับเขาเป็นเพื่อน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 พอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีง่ายๆเร็วๆ ก, ก็คือวิธีทำบาปต่างๆนี้เองถ้าไม่เสบบาบายามุกเราก็จะมีรายได้แล้วก็จะมีสามารถรักษารายได้วเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นได้ทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป ว่าเราจะมีเงินทองพอกินพอใช้อยู่เรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งการที่จะออกจากสังสารวัฏออกจากตายพบพบของการเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นให้ปิดประตูบายก่อนถ้ายังกลับมาเกิดก็อย่างน้อยก็มาเกิดในพบที่ดีคือพบของเทวดาของมนุษย์หรือของพรหม จะไม่ไปเกิดในภพของอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนสุรกายไปนรกถ้าเรารักษาศีลห้าได้ละเว้นจากการเสพ บ, บายามุกต่างๆได้ถ้าเรายังทำบาปอยู่ยังเสพ บ, บายามุกอยู่เราก็ควรจะตั้งตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่าต่อไปนี้จะขอลดถ้ายังเลิกแบบทั้งหมดไม่ได้ก็ขอลดการเสพประบายามุก ข, ของการทำบาปให้น้อยลงไปตามลำดับลดเท่าที่เราทำได้ในเบื้องต้นก่อนพอเราทำได้แล้วต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะทำได้เพิ่มมากขึ้นไปเอง ลดทีละข้อก่อนทีละอย่างก่อนก็ได้เคยติดสุรายาเมาก็เลิกดื่มสุรายาเมลหรือดื่มให้น้อยลดลงสักครึ่งหนึ่งเคยกินขวดหนึ่งลดลงเหลือสักครึ่งขวดเคยกินทุกวันก็ลดเหลือแค่วันเว้นวันอะไรทำนองนี้ไปก่อนค่อยๆลดลงไปถ้าเราไม่มีกำลังที่จะ ลดแบบพัวพามแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความกลัวผลของบาปของอบายยมุขเราอาจจะสามารถเลิกแบบแบบเด็ดขาดเลย ก, ก็ได้เลิกเสพอบายยมุขเลิกก็ทำบาปเลยพอเราปิดประตูอบายได้แล้วั้นต่อไปท่านก็สอนให้เรา มายกระดับจิตของเราให้ขึ้นสู่ระดับของเทพของพรหมต่อไประดับของเทพก็ให้เราทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่กำลังกาลังกายกาลังวาจาเพราะการทำบุญนี้ทำได้หลายวิธีด้วยกันนอกจากการใช้ทรัพย์ ทำบุญแล้วเราสามารถใช้วาจาของเราทำบุญได้เช่นถ้าเรามีวิชาความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นเราสามารถสอนผู้อื่นให้มีวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปทำประโยชน์ทำรายได้เช่นวิธีทำกับข้าววิธีเย็บปักถักร้อยวิธีเสริมสวย อะไรต่างๆความรู้ต่าง ๆ, ๆที่เรามีอยู่นี้เราสามารถเอามาทำเป็นบุญได้ถ้าเราเอามาสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้เรียกค่าตอบแทนจากเขาไม่มีค่าจ้างเออให้เรียนฟรีเรียกว่าเป็นการให้วิทยาฐานให้ความรู้ก็เป็นการทาบุญ ถ้าเราไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่จะทำถ้าเรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็แบ่งไปทำบุญทำกับบุคคลใดก็ได้บุญที่เกิดบุญที่เราต้องการนี้คือบุญที่จะพาเราไปสวรรค์นี้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกทำกับคนนั้นคนนี้ การที่เราเลือกทาบุญกับคนนั้นคนนี้เป็นเพราะว่าเราอยากจะได้บุญอีกชนิดหนึ่งบุญอีกชนิดหนึ่งที่เราอยากได้ที่ทำให้เราต้องเลือกคนนั้นคนนี้ทำก็คือความรู้นั่นเองความรู้ที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือธรรมะถ้าเราอยากได้ธรรมะด้วยอยากได้บุญด้วย เราก็ต้องเลือกคนที่เราไปทาเราต้องเลือกคนที่มีธรรมะมากๆเราจะได้ธรรมะมากๆนั่นเองท่านถึงเปรียบเทียบ ว, ว่าทำบุญกับคนธรรมดาที่ไม่มีธรรมะนี่ก็ไม่ได้อะไรได้หนึ่งเท่าหรือได้ทำบุญกับพระที่มีศีลก็ได้สิบเท่า ทำบุญกับพระที่มีสมาธิก็ได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอริยะที่มีธรรมะก็จะได้พันเท่าถ้าเป็นพระโสดามันพระสกิดาคามีก็หมื่นเท่าพระอนาคามีก็แสนเท่าพระอรหันต์ก็ล้านเท่าพระพุทธเจ้าก็ร้อยล้านเท่าเพราะแต่ละท่านนี้มีธรรมะมากน้อยต่างกัน นี่คือความหมายถึงการที่เราเลือกทำบุญกับบุคคลต่างๆเพราะเราต้องการได้รับธรรมะจากบุคคลเหล่านั้นนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการธรรมะเราเพียงอยากจะสะสมบุญเพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์กันเราก็ทำกับบุคคลใดก็ได้ ทำกับวัดทำกับพระก็ได้ทำกับโรงเรียนโงรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรสาธานะรณกุศลต่างๆก็ได้เช่นปอเต็กตึงร่วมกันอยู่ทำกับศว์เดราชานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาท า, ทายชีวิตวัวควายเหล่านี้เป็นการสะสมบุญคือความสุขใจที่จะส่งให้ใจเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้ว ได้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆแต่ถ้าอยากจะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะพระที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือการทำบุญผลของบุญนี่มีสองลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกคือความสุขใจนี้ไม่ต้องเลือกทากับบุคคลใดก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้ความรู้ได้ธรรมะก็ต้องไปทาบุญกับคนที่เขามีธรรมะพอาเวลาไปทาบุญแล้วเดี๋ยวก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นเองได้เรียนรู้จากเขาว่าเขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเขาก็จะสอนเรา ตามที่ท่านกำลังได้ยินในตอนนี้ถ้าอยากออกจากการเวียนว่ายตายเกิดขั้นที่หนึ่งก็ให้เราปิดประตูาบายละการกระทำบาปทั้งปวงขั้นที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำใจให้มีความสุขให้มีความเมตตาพอเมื่อมีความสุขมีความเมตตาก็จะ สามารถที่จะไปเจริญภาวนาได้เพาะจะต้องไปถือศีลของนักบวชนะไปถือศีล8ศีลส0ศีล227ศีล311้อเข้อเพราะผู้ที่ต้องการที่จะให้จิตใจสูงขึ้นกว่าระดับของของมนุษย์ของเทพก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชหรือไปเป็นนักบวช เพื่อที่จะได้มีเวลาที่จ ะ, จะเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้นี่คือขั้นขั้นที่สคืเกิดให้ไปยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากกา ร, รมภพบให้ออกจากกา ร, รมภพบให้แล้วก็ไปอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพแทน เพื่อที่จะได้ออกจากตายพบต่อไปได้มันเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกให้ออกจากอบายก่อนด้วยการไม่ทำบาปแล้วก็ให้ไปอยู่ในเทวพบด้วยการทำบุญแล้วให้ออกจากเทวพเข้าสู่รูปพบกับอรูปพบด้วยการฝึกสมาธิเข้าฌานขั้นต่าง พอได้ฌานได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ไปขั้นต่อไปขั้นที่จะดึงใจให้ออกจากรูปภพและอรูปภพได้ขั้นนั้นเราเรียกว่าขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาเป็นขั้นที่เราจะศึกษาสอนใจให้รู้ว่าไตรภพนี้ถึงแม้จะมีความสุขก็มีความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เป็นอนิจจังได้ไม่ว่าจะได้อยู่ในภพไหนก็ตามเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ก็อย่าไปติดอยู่กับรูปภพหรืออรูปภพนะให้ใช้ปัญญาสอนใจว่ามีความสุขที่เหนือกว่า ความสุขของใจพบของของรูปรพบของอรูปรพบนั่นก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานจะเกิดได้ก็ต่อเมือ่อใจละความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไปละกามกามตัณหาความอยากเสพกามละการไปเกิดในกามภพบละภาวะตัณหา ความอยากไปเกิดในรูปภพแด้ล ะ, ละวิภาวะตัณหาความอยากไปเกิดในอรูปภพเนีให้เห็นว่าภพทั้งสามนี้เป็นภพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่ได้จากภพเหล่านี้จะมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเมื่อเสื่อมหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่ก็จะยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในไตายพบเหล่านี้อยู่แต่ถ้าละความอยากทั้งสามนี้ได้ละกามาตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสพกามได้ละภาวะตัญหาความอยากเสพรูปประชานได้ และละวิภวทันหาความอยากเสพอารูปฌานได้จิตก็จะกลายเป็นจิตที่ว่างเปล่าปราศจากความอยากต่างๆจิตที่ว่างปราศจากความอยากปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่ท่านเรียกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลส คือความโลภความอยากต่างๆนี่เองจะละได้นี่ต้องอาศัยไจรักต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมต้องหมดแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เสื่อมไม่ได้ตายพบนี้ความสุขของตายพบนี้จะต้องเสื่อมลงจะต้องหมดลงเมื่อหมดก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปสร้างใหม่ไปเติมใหม่และเราก็ต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของการเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตาย ก็ต้องยุติความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดไปถ้าละได้จิตก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ม่อีกต่อไปถ้าไม่มีความอยากจะเสพกามก็ไม่ต้องไปเกิดในกามมาพบถ้าไม่มีความอยากจะเสพรูปฌานก็ไม่ต้องกลับไปเกิดในรูปภพถ้าไม่ต้องการเสพรูปฌานก็ไม่ต้องไปเกิดในอรูปภพ ผู้ที่ไม่ไปเกิดในตายภพก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานแทนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปที่มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละคือที่ที่พวกเราสามารถเลือกไปได้เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราไปติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวเขาก็จะมีมีเมนูให้เราเลือกว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนสามวันห้าวันเจ็ดวันไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปประเทศจีนไปยุโรปไปอเมริกาเขามีโปรแกรมเตรียมไว้แล้วเขาก็มีค่าใช้จ่าย เราอยากจะไปโปรแกรมนี้ก็ต้องจ่ายเงินเท่านี้เทา่านี้อยากจะไปโปรแกรมนั้นก็ต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านั้นนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวกันในโลกทิพย์เนี่ที่เรายังไม่รู้กันเพราะเรามืดบอดตาที่จะดูโลกทิพย์นี้ถูกปิดเอาไว้น มีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ท่นั้นที่ท่านเปิดตาในได้ทําให้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปกันเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าเราจ่ายเงินเลือกโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปตามเงินที่เราจ่ายตามโปรแกรมที่เราได้เลือกได้ซื้อเอาไว้ะ ถ้าเราเลือกจะทำบาปเราก็จะไปอบายกันถ้าเราเลือกจะทำบุญเราก็จะไปสวรรค์กันถ้าเราเลือกที่จะนั่งสมาธิเข้าฌานเราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรมกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้พระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับบริษัทท่องเที่ยวนี้เอง่าเรามา เราก็อยากจะถามว่ามีที่ไหนไปบ้างศาสนาพุทก็จะบอกเราว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่มีที่เราจะไปเราเลือกไปได้หลายที่ด้วยกันไปท่องเที่ยวในอบายในนรกก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นพรหมก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นอริยก็ได้ ไปนิพานก็ได้เนีสถานที่เหล่านี้มีจริงและเหตุที่ส่งให้ไปสถานที่เหล่านี้ก็มีจริงเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่บริษัทท่องเที่ยวเขาจัดให้เราไปเที่ยวกันมีจริงขอให้เราจ่ายเหตุที่จะพาให้เราไปคือค่าใช้จ่ายเช่นเราอยากจะไป อินเดียไปเยี่ยมสถานศี่เขาก็มีโปรแกรมให้เราเลือกเขาก็บอกว่าไปกี่วันกี่วันแล้วก็ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่พอเราจ่ายเงินให้เขาเขาก็บอกวันเวลาว่าถึงวันนั้นต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินไปรับตั๋วที่ไหนพอเราทําตามที่เขาบอกตามวันเราก็จะได้ไปตามสถานที่เราต้องการจะไปกัน ดังนั้นชีวิตของวกเรานี้ไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่มีอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะเราควบคุมชีวิตของเราคือจิตใจของพวกเราได้เราเลือกที่เราจะไปได้ถ้าเราได้มาพบกับบริษัทท่องเที่ยวคือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้เราเลือกไปกัน นี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่นี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นคนแรกแล้วก็มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้อื่นพอนาเอาไปปฏิบัต ก็สามารถเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เพราะการปฏิบัติขั้นสมาธินี้จะเป็นขั้นที่ทำให้เราเปิดตาในขึ้นมานั่นเองขั้นทำบุญขั้นรักษาศีนี้ยังไม่ได้เปิดตาในถ้าอยากจะเปิดตาในอยากจะเห็นภพต่างๆที่ เราไม่ใช้ที่เราไม่สามารถใช้ตาร่างกายเห็นได้เราจะเห็นได้ด้วยการไปเปิดตาในด้วยการไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะเห็นพบต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างไรเราก็จะเห็นอย่างนั้น เพราะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะเห็นนั่นเองเหมือนคนตาบอดกับคนตาดีคนตาดีเห็นอะไรพอคนตาบอด ร, รักษาตาให้หายบอดได้ก็จะเห็นอย่างเดียวกับคนที่ตาดีเห็นเพราะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ตอนที่คนตาบอดยังบอดอยู่นี้ยังไม่เห็นอะไรก็เลยไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริง ก็ต้องอาศัยความเชื่อในของคนตาดีเชื่อว่าคนตาดีเป็นคนดีมีคมีความเมตตาไม่ประสองค์อะไรจากเรามีแต่ความปรารถนาดีอยากจะให้เราเห็นอย่างคนตาดีเห็นกันก็มาสอนวิธีทำให้เรามองเห็นจริงต่างๆนะพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเรา ท่านมีพร้อมใจของท่านนี้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจทำความดีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่มีอยู่ในหัวใจมีเพิ่มมากขึ้นเพราะมันล้นอยู่แล้วมันเต็มอยู่แล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วอยู่แล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ได้น้ำเต็มแก้วเหมือนเดิมนะแต่การที่ท่านมา ทำมาสั่งมาสอนมาบอกพวกเรานี้เสียสละเวลาของท่านมาเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ากับการสั่งสอนนี่ก็เพื่อให้พวกเราที่เป็นพวกตาบอดที่ยังไม่รู้อนาคตของพวกเราว่าจะเป็นอย่างไรให้ได้รู้ให้ได้เห็นและจะได้เลือกที่ที่เราควรจะไปกันนั่นเองถ้าเราลืมตาแล้วเราเห็นแล้ว ทุกคนจะเลือกไปที่นิพพานกันทั้งนั้นเพราะว่าที่นั่นละ่ะเป็นที่ปลอดปราศจากความทุกข์ถ้ายังเลือกอยู่ในตายพอยู่แม้ว่าจะอยู่ในภพไหนก็ตามเวลาภพนั้นเสื่อมลงความทุกข์ก็จะตามมาทันทีแต่ถ้าไปนิพพานแล้วนี่ไม่มีวันเสื่อมแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ถ้ายังติดอยู่ในตายภพเดี๋ยวเวลาเสื่อมจากภพใดภพหนึ่งก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่หรือสร้างบาปใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ถ้าเราเบื่อถ้าเรากลัวความแก่ความเจ็บความตายเรามีทางออกแล้วตอนนี้ นานๆนจะมีคนรู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการออกจากกุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตัดสรรนิมไม่ได้มาแบบเรื่อยๆมาแบบทีๆเนี่ยท่านบอกว่านานๆนนเป็นกับคำว่ากับนี้ก็หลายแสนล้านปีขึ้นไปถึงจะได้มีคนฉลาด มาพบทางออกจากตายพบได้มาพบทางที่ไปไปพระนิพพานไปที่ไม่ต้องมีการมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปถ้าพวกเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่จะตามมาแล้วถ้าเราเกิดความกลัวเราเกิดความลังเกียร ตอนนี้เราโชคดีเราสามารถที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วเพราะมีผู้รู้ทางคือพระพุทธเจ้านะภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่จะมาบอกทางให้พวกเราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ การจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเราต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถ้าเราเห็นได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เรายังอาจจะตัดสินใจไม่ถูกถ้าเรายังเห็นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังให้ความสุขกับเรายัางทำให้เราหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้าหาความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ แล้วตายไปแล้วยังได้ไปเกิดบนสวรรค์อีกเราอาจจะมองไม่เห็นความจริงว่านอกจากความสุขที่เราได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำทานมาปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ตามแต่เราก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายซึ่งถ้าเรายังไม่ได้เจอเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมันเจ็บปวดอย่างไร ถ้าเรายังไม่รู้ว่าคนจะไปดูหนังตัวอย่างก่อนไปดูคนที่เขาเป็นก่อนไปดูคนแก่ไปเยี่ยมคนแก่ตามบ้านคนชราดูไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนพิกลพิการบางคนแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดนบางคนเป็นอมัอมพฤกษอัมพาตบางคนเป็นโรคที่จะต้องคอยไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อย ต้องไปล้างตายต้องไปทำไปไปฉายแสงไปคมีโมอะไรต้องไปดูความจริงเหล่านี้ก่อนไปดูเวลาคนตายเป็นอย่างไรน่าจะคือข้อมูลที่เรายังไม่ได้มีก็อาจจะทําให้เราไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความคิดว่ามันเป็น ทุกกับเราก็ได้แต่ถ้าเราเอามานึกเอามามาพิจารณาไปดูตัวอย่างแล้วนึกถึงสภาพที่ต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรเราก็อาจจะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็ได้ตอนนั้นเราถึงอาจจะกล้าที่จะตัดสินใจดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย เราจะมุ่งไปที่พัฒนิพันธกันเราจะออกจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายกันที่เราเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่แสนล้านรอบแล้วแล้วก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะขอให้เราพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะทำให้เราเห็นพิษเห็นภัยของการมาเกิดไม่ว่าจะมาเกิดรวยหรือจนก็ตามเกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นคนธรรมดาสามัญหรือต่าต้อยก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดภาจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเหมือนกั น, น, นจะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องร้องห่มร้องไห้ ไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนต้องมันพิจารณาตัวนี้ถึงจะทำให้เร า, เ, าเกิดความสนุงาวาขึ้นมาเกิดความกลัวการมาเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียทีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธพยายามพิจารณาอยู่เนืองๆว่า เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้พอพิจารณาแล้วก็ต้องเอามา ดูของจริงเลยว่าต่อไปร่างกายเราไม่เป็นอย่างนี้นะต่อไปมันจะแก่ลงไปเรื่อยผมเข้าจะงอกผมจะร่วงหนังจเหี่ยวจะยน่นกาลังวังชาก็จะลดน้อยถอยลงไปอาการเจ็บปวดต่างๆภายในร่างกายก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ายังไม่เห็นก็ไปดูหนังตัวอย่างดูคนแก่ดูคนเจ็บดูคนตายดู ดูคนที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขาลากไปว่าเป็นอย่างไรมันจะทำให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วจะทำให้เราเบื่อหรือกลัวการมาเกิดถ้าเราเบื่อหรือกลัวการมาเกิดเราก็จะได้ไปหาทางที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อศึกษาทางที่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะสอนอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องตน้นว่าเราต้องละการกระทาบาปละการเสพบายามุกต่างๆเสียแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลตามกำลังของเรามีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์สร้างบุญไม่มีทรัพย์ก็ใช้ ความรู้วิชาความรู้ถ้ามีถ้าไม่มีวิชาความรู้มีร่างกายที่มีกำลังวังชาก็ไปเป็นอาสาสมัครทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยไม่คิดเงินทองยันบางท่านก็มาช่วยทำความสะอาดห้องส้วมในวัดมาช่วยกวาดลานวัดมาช่วยล้างชามอะไรทำนองนี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน ถ้าไม่มีเงินทองไม่มีวิชาความรู้ยังแต่อยากจะทำบุญอยากจะได้ความสุขก็สามารถใช้ร่างกายนี่แหละมาทำคุณทำประโยชน์ได้เป็นทำบุญได้ <c oughs> แล้วก็พอเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเราก็จะมีเวลาที่จะไปวัดไปอยู่ อยู่แบบนักบวชไปหัดอยู่แบบนักบวชไปถือศีลแปดไปหัดไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ไปปฏิบัติขั้นต้นก็ให้ไปหัดทำใจให้สงบนั่งสมาธิ การที่จะทาใจให้สงบได้นี้จาเป็นจะต้องมีอะไรก็จาเป็นจะต้องมีสติเพราะใจนี้เป็นเหมือนกับลิงลิงนี้โดยธรรมชาติมันจะไม่อยู่เฉยๆมันจะมันจะวิ่งไปวิ่งมากระโดดโดดเต้นของมันไปถ้าอยากจะให้ลิงลิงมันอยู่เฉยๆก็ต้องมีเชือกไปจับมันมามัดไว้กับเสาห ร, อรือมัดกับต้นไม้ ใจก็เหมือนกันใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งมันคิดอยู่ทั้งวันคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับแล้วบางทีเวลาหลับก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้หยุดคิดยังฝันต่อความฝันก็เป็นความคิดถ้าเราอยากจะให้ใจของเราหยุดคิดเราก็ต้องมีเชือกคือสติมีเสาที่จะมัดสติมัดจิตให้อยู่กับเสา ด้วยเชือกเชือกคือสติเสาก็คือกรรมฐานเราต้องมีอะไรามาผูกใจให้อยู่กับที่เดียวกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราสามารถที่จะใช้สติผูกใจที่คิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดคิดได้โดยการนำลกถึงกรรมฐานองใดองหนึ่งแบบใดแบบหนึ่ง ว่ากรรมฐานที่เราได้ยินได้ฟังกันอย่างกว้างขวางก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการควบคุมความคิดหยุดความคิดได้นะไม่เชื่อลองทำดูสยวันไหนเราคิดมากฟุ้งซ่านเหน็ดเหนื่อยกับความคิดอยากจะหยุดคิดลองท่องพุทโธพุทโธไปอ่หรือไม่เช่นนั้นใช้การสวมดมนต์แทนก็นได้ สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าจะลืมเรื่องราวต่างๆไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะการสวดมนต์นี้จะทำให้เราคิดอยู่กับเรื่องสวดมนต์อย่างเดียวแล้วบทสวดมนต์ก็ไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเหมือนกับความคิดของเราจิตก็จะสงบได้โดยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์ลแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆ ถ้าเราดูลมหายใจได้จะดูลมหายใจแทนพุโทโธก็ได้ดูลมเข้าที่ปลายจมูกออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูเฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือกำลังออกเท่านั้นลมจะหายใจสั้นหรือหายใจยาวก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันสั้นไปยาวไปตามเรื่องของมัน ลมจะยากจะละเอียดก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันลมจะหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายก็ดูเวลาดูดูแบบไม่มีลมดูดูอยู่ที่ปลายจมูกดูว่าตอนนี้ไม่มีลมให้ดูก็ดูที่ปลายจมูกไปดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรแลเดี๋ยวใจก็จ ะ, ะตกหลุมตกบอ่อเข้าสู่ความสงบต่อไป พอจิตพอใจเวบลงไปนิ่งสงบก็ไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นได้ถึงจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิแล้วคือใจนิ่งสงบไม่ต้องควบคุมบังคับใจจะเบาใจจะสุขใจจะเย็นแล้วเราจะได้รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราอยู่แล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาความสุขจาก สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกตัวเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็ต้องเสียใจอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกตัวเรานี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราได้เพียงชั่วคราวพอถึงเวลาก็จะต้องมีการพัดพากจากกัน พอตอนนั้นมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่ความสงบหรือความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจะไม่จากเราไปมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไปตลอดเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นโทษของความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆภายนอกตัวเรามันก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขว่าสู้หาความสุขจากความสงบดีกว่า เขาซื่อสัตย์เขาจะอยู่กับเราเขาจะไปกับเราแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอกนี้ไม่แน่นอนบางทีเขาซื่อสัตย์บางทีเขาก็ไม่ซื่อสัตย์เนาะงั้นเอาความสุขที่แน่นอนดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบต่อไปเราก็จะเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกได้แล้วเราก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบ แต่ต่อไปเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขความสงบนี้ก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันเวลาออกจากสมาธิมาความสงบก็หายไปได้ถ้าเราอยากจะไม่ต้องการที่จะเพิ่งความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องเพึ่งความสุขที่เกิดจากการไม่มีอะไรมาให้ความสุขกับเราคือความว่าง ความว่างคือการปราศจากความอยากต่างๆไม่มีความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกหรือภายในใจถ้าละความอยากต่างๆได้เราก็จะได้ความสุขแบบที่ถาวรแบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยนี่แหละคือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขงังที่จะเป็นความสุขขั้นสุดท้ายในการปฏิบัติของพวกเรา ตอนต้นเราก็เปลี่ยนความสุขเป็นขั้นขั้นไปปิดความทุกข์ทางวบายมาหาความสุขทางสวรรค์ชั้นเทพแล้วเปลี่ยนควา ม, วามสุขของสวรรค์ชั้นเทพมาหาความสุขสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็มาเปลี่ยนความสุขจากสวรรค์ชั้นพรมมาเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานตามลําดับต่อไปนี่แหละคือที่พวกเราสามารถเลือกไปกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบจะไปที่ไหนเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่รับประกันได้ว่าต่อให้เราเลือกไปสถานที่กี่สถานที่ก็ตามไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเบื่อเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นสุขแท้ ม, มีสถานที่เดียวเท่านั้นที่เป็นสถานที่สุขแท้ที่ไหนที่สุดเราก็จะต้องเลือกไปที่นั่นก็คือไปพระนิพพาน เมื่อเราเลิกไปพระนิพพานแะล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจะมีความสุขไปอย่างท้าวอนนี่คือสถานที่ต่างๆที่เราจะไปกันหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกๆพระองค์ได้รู้ได้เห็นกันมาแล้วและได้รับรองกันทุกรูกไม่มีใครคัดค้านกันเลยว่าไม่ใช่เป็นความจริงังนั้นก็อยู่ที่พวกท่านที่ยังไม่มีตาในที่จะรู้จะเห็นได้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชื่อนี่แหละ ถึงจะทำให้ท่านทำในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับท่านต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองเรามีหน้าที่เอาสถานที่ต่างๆมาเสนอเหมือนคนขายของบริษัทท่องเที่ยวส่วนท่านจะซื้อจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนก็เป็นเรื่องของท่านก็คิดว่าเป็น สมควรแก่เวลาอยาขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้อยาขออนุมโมทนาให้พอ่อนยถ า, าวาริกวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตชินัางเปตานังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทมณราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิว so ัชานตุสัพพารโควินัสต ok ุมาเตภวตโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนศสีลิปสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาล า, าน้ำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม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 วันนี้ยอดทาง f a c e b o o มีสามรอยสี่สิบสองท่านเจ้าค่ะ y o u t u ห e ร2อยี่สิบสองท่านวิทยุสิบเก้าท่านผู้รับฟังบนข่าวมีหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดเป็นเจ็ด้อยห้าสิบสี่ท่านเจ้าค่ะ YouTube เท่าไหร่นะ ม, น YouTube, มันือสองร้อยหกสิบสองท่านจ้ามากกว่าถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย มีคำถามจากคุณอรนุชนะเจ้าคะ่ะกราบนมัมสการพระอาจารย์สุชาติค่ะในมหาสติปัฏฐานสูตรจิตตาโนสติปัสสนาที่ว่าจิตเป็น ม, มรรค ต, ตะคตจิตไม่เป็นมรหั ต, ตะคตมหระคตกับจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่านี่หมายความว่าอะไรเหรอคะขอบพระคุณค่ะ ก็จิตมีหลายระดับเนี่ยจิตระดับศีลจิตระดับสมาธิจิตระดับปัญญาเนี่ยจิตแต่ระดับก็มีความสูงต่ำต่างกันไปจิตของพระโสดาบันก็ต่ำกว่าจิตของพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่คือการให้ดูจิตของเราว่าตอนนี้จิตของเราอยู่ในระดับไหนถึงขั้นสูงสุดหรื อ, อยังเหมือนเรียนหนังสือได้ปริญญาเอกหรื อ, อยัง ตอนนี้ได้ปริญญาตรีก็ยังต้องมีโทมีเอกต้องเรียนต่อถ้าได้ปริญญาเอกแล้วก็อ๋อไม่มีปรญญาต้องเรียนต่อแล้วพวกสิตังบ ร, รมจารย์หรืออย่างแล้วเสร็จกิจของอาศาสนาแล้วอถ้าได้จิตที่ขั้นสูงสุดคือจิตที่นิพพานเนี่ให้ดูจิตว่าอยู่ในระดับไหนระดับสมาธิแล้วในระดับอริยเจ้าเป็นต้นน คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมเห็นบางคนไปกราบครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วเอามาคุยอวดไปทําบุญเท่านั้นเท่านี้แบบนี้เขาจะเข้าถึงธรรมะจะได้บุญไหมครับเขาก็ได้คันของบุญที่เขาทำนั่นแหละคือ จะอวดไม่อวดก็ไม่ได้ไปทําให้บุญที่เขาทาเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยถอยลงไปนะทําบุญก็ได้ผลของบุญอย่ามาบอกคนอื่นก็ได้ไม่บอกก็ได้บางทีเขาก็ไม่ได้โอ้อวดหรอกเขาก็มาบอกเพื่อให้อนุโมทนาบุญก็ได้เอาวันนี้ได้ไปทําบุญที่นั่นที่นี่คนที่ได้ยินก็อาจจะชื่นชมยินดีไปกับการทําบุญของเขาก็ได้ความสุขได้บุญจากการอนุโมทนาะ เห็นราอย่าไปมองโลกในแง่ลายเสมอไปนะอย่าไปตำหนิคนอื่นถ <c oughs> <c oughs> ้าอยากจะตำหนิตาหนิตัวเราดีกว่าแล้วเราวิเศษกว่าเขาหรือเปล่าเราไม่ได้ไปทําบุญเราไม่ได้โอ้อวดเราเราดีกว่าเขาหรือเปล่าอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าจะตำหนิให้ตำหนิตัวเองถ้าจะชมอย่าชมตนเองให้ชมคนอื่นอย่ายกหางตัวเอง ยกหางคนอื่นดีกว่าชมคนอื่นดีกว่าตำหนิคนอื่นนะตำหนิตัเองดีกว่าชมตัเองนะขอให้พิกวิธีการติชมให้มันให้มันเกิดประโยชน์กับเราดีกว่านะอย่าไปติคนอื่นให้ชมคนอื่นนะอย่าไปชมตัวเราให้ติตัวเราแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นไปต่อไป คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณนรมนนั่งสมาธิแล้วรู้สึกแน่นเหมือนหายใจไม่ออกเป็นเพราะอะไรเจ้าคะอ๋อเป็นเพราะกิเลสไงถ้านั่งดูหนังดูดิเกนี่มันหายใจสบายพอให้มานั่งพุทโธดูลมหายใจมันอืดอาดขึ้นมาทันที ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นกิเลสมันสร้างภาพหลอกเราสร้างอาการความรู้สึกหลอกเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราใดอย่างใดนะให้เราพยายามฝืนอดทนอย่าไปสนใจพุทโธไปสวดมนต์ไปหรือนั่งดูลมไปตามกำลังของเราเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเองคนนี้มีแค่นี้เหรอใช่ค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอุปสรรคคือ กิเลสนี่เองที่ทําให้ปฏิบัติยากหรือง่ายถ้าเราเป็นคนกิเลสหนาะนี่ก็จะมีอุปสรรคเยอะะเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวหนาวเกินไปเดี๋ยวร้อนเกินไปเดี๋ยวอิ่มเกินไปอยากจะนอนเดี๋ยวหิน่นหิวเกินไปไม่มีสมาธินั่งไม่ได้เพราะความหิวมันก็มีอุปสรรคหลายร้อยพันแปดสําหรับคนที่มีกิเลสหนานะ คนที่มีกิเลสบางของพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคนะอมีคําถามต่อค่ะคําถามจากบนเขานะคะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เรามีวิธีปิดประตูอบายยังไงเจ้าคะก็บอกนั้วไงอย่าไปเสบอาบายามุกเนี่ยอย่าไปดื่มสุราถ้าดื่มสุราก็เลิกเล่นการพนันก็เลิกชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยวเยวออ ชอบขี้เกียจก็เปลี่ยนมาเป็นขยันแทนขยันทำงานอย่าขี้เกียจทำงานขยันหาเงินหาทองแล้วได้เงินมาก็อย่ า, าไปใช้กับการเที่ยวการดื่มสุรากับการเล่นการพนันเอาไปทำบุญทำทานเนี่แล้วอย่างนี้จะทำให้ใจเป็นใจบุญขึ้นมาและคนใจบุญก็จะไม่ชอบทำบาป ก็จะรักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดนี่คือวิธีปิดประตูอบายต้องไม่ทำบาป ท, ทั้งห้าข้อคำถามเข้าต่อไปนะคะเคยตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองแต่ก็ทำได้สักพักก็ผิดสัจจะอย่างนี้มีเดินหน้าถอยหลังตลอดค่ะ ก็ลองตั้งใอ้เรื่องที่เรารักษาได้อันไหนที่เรายังไม่มีกำลังจะรักษาให้ไปได้ตลอดก็อย่าเพิ่งไปตั้งมันตั้งรา ล, ลมก็อย่าเพิ่งไปตั้งนะมันอาจจะมากเกินไปหรืเอเหนือกำลังของเราก็ลองเอาขนาดพอเหมาะกับกำลังของเราเหมือนการยกน้ำหนักเนี่ยเวลายกน้ำหนักเราก็จะรู้ว่าเรายกได้กี่กิโลพอเรายกได กิโลเท่านี้แล้วเราก็เพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะมันจะเราจะเริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนะถ้าเราจะไปเพิ่มแบบพวกภาพนี้กำลังเราอาจจะไม่พอก็ได้เช่นถ้าเรายังรักษาสี่ห้ข้อไม่ได้ก็ลองเอาสี่ข้อก่อนสี่ไม่ได้ก็เอาสามก่อนสาไม่ได้ก็เอาสองก่อนสองไม่ได้ก็เอาหนึ่งก่อน ถ้าหนึ่งไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ต้องไปอาบายเท่านั้นให้คิดถึงผลที่จะตามมามันก็อาจจะทำให้เราคืดสู้ขึ้นมาต้องสู้ให้ได้เลือกเอาข้อที่มันง่ายที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไปทีละข้อสองข้อคำถามจากยู u b e นะคะจากคุณสุบินอิทธานนกราบขออนุญาตถามเจ้าค่ะ มีไก่สามตัวนีเจ้าของเจ้าของจะจับค่าช่วงตรุษจีนี้มาอยู่ที่บ้านของลูกลูกขอซื้อสามตัวให้เป็นอิสระเจ้าของไก่ไม่ยอมขายจะค่าอ้างเกลียดไก่สามตัวนี้ลูกจะทํำยังไงดีเจ้าคะก็ถามว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่นะเขาไม่ขายเลยเลยลองถามลองให้ราคาเขาเยอะๆดูนี่ ก็อาจจะถ้าราคาพอใจเขาเขาอาจจะอขายให้เราก็ได้ต้องถามก็จะต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะถึงจะได้ไก่าสามตัวนี้อต้องมีราคาที่เขายินดีที่จะขายเนะี่ยแต่ถ้าเขาไม่ขายจริงๆเราก็ต้องทําใจเป็นูเบกขาไปหรือถ้าเราไม่มีกําลังที่จะจ่ายเงินตามที่เขาขอได้ ก็เถอว่าเป็นกรรมของไก่สามตัวนี้ก็แล้วกันเป็นอุเบกเราต้องทำใจอุเบกขาอย่าไปเสียใจอย่าไปวุ่นวายใจเพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนฝนตกมันไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ถึงเวลามันจะตกก็ตกถึงเวลาไก่มันจะต้องตายก็ต้องมันก็ต้องตายมันไม่ตายวันนี้มันก็ต้องไปตายวันหน้าอยู่ดีให้คิดอย่างนี้อาจจะดีสำหรับมันมันจะได้พ้นพ้นออบาย าอายจากกายไปอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้เนีมองโลกในแง่ดีไว้ถ้าเราทำไม่ได้ทาอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจท่านั้นต้องทำใจอุเบกขาคำถามต่อไปจากคุณธ <c oughs> ัญวันนะคะกราบนรัมสการพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิเวลาปวดขาเมื่อยมากปวดคอควรวางใจอย่างไรเจ้าคะ ไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเกดเฉพาะตอนที่เรานั่งนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนะมันสร้างอาการมาหลอกเราเอาให้เราตั้งใจอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับโลหมหายใจไปเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไป <c oughs> ถ้ามันเป็นทั้งขณะที่นั่งหรือไม่นั่งเราก็ต้องไปหาหมอนวดดูแลให้เขาช่วยดูรักษาให้ แต่ถ้าแต่ถ้าชอบมาเป็นตอนที่นั่งอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกเรามาคอยทำให้เราไม่อยากจะนั่งมาสร้างอุปสรรคให้กับเราเราก็ต้องอดทนอย่าไปสนใจคำถามจากคุณสมเดชนะคะหนูขอถามหน่อยนั่งฟังพระอาจารย์ทำไมถึงหลับเจ้าคะขอบคุณคะ่ะ ออมันไม่ตื่นเต้นเหมือนดูหนังนหรือฟังเพลงนะธรรมะมันเป็นเรื่องของอความสงบพอฟังแล้วใจมันสงบตามพอไม่มีสติมันก็เลยหลับแต่คนที่มีสติฟังแล้วใจก็จะเข้าสมาธิได้เห็นอยู่ที่สติของเราถ้านั่งฟังแล้วหลับก็แสดงว่านรมไม่มีสติมีสติน้อย ถ้าเรามีสติมากใจเราก็จะสงบแต่ไม่หลับจะตื่นจะเข้าสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณทองมนนะคะอาการตัวหลุดออกจากกายมันเป็นเพราะอะไรครับก็ไม่รู้หลุดแบบไหนมันก็ถามอย่างนี้ก็ตอบไม่เป็นเหมือนกันเรี๋ยวกลัวตอบไม่ถูก คำถามจากคุณสุรชัยกระนมัสการพระอาจารย์ครับต้องวางอารมณ์ยังไงก่อนทำสมาธิครับบ า, บางวันก็ดีมีสมาธิปัญญาพิจารณาได้บางวันก็ไม่สงบเลยครับก็วางอารมณ์เฉยๆว่าต่อไปนี้จะพยายามทำใจให้สงบโดยการมีสติอยู่กับพุทโธและอยู่กับลมหายใจ ส่วนมันจะสงบหรือไม่จะยากหรือง่ายนี่ก็เป็นเรื่องของอนิจจังไปเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ง่ายและทําให้ยากบางวันเราวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเวลาจะนั่งมันก็จะยากบางวันสติเราไม่ค่อยดีพังเผยอยู่เลยมันก็จะยากบางวันไม่มีเรื่องวุ่นวายบางวันสติดีนั่งมันก็สงบง่ายยิ้นอย่าไป กังวลกับการไม่แน่นอนของสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราทำได้แน่นอนก็คือให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปส่วนมันจะยากจะง่ายก็ต้องรับเหมือนกับขับรถบางทีรถก็ติดบางทีรถก็ไม่ติดอันนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะไปทำอะไรได้ขอให้เราขับไปเรื่อยๆก็แล้วกันช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่ไปวันไหนไปเร็วไปก็เป็น เป็นวันดีของเราไปขอให้ทำไปก็แล้วกันยาพอยากหน่อยก็ไม่ทำเดี๋ยวมันจะเจอยากทีไรเจอบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะเลิกทำไปคำถามจากคุณธั ญ, ญาวารรณค่ะแก้อาการเพ่งอย่างไรดีเจ้าคะอาการเพ่งเนีเจ้าคะเป็นยังไงต้องเพ่งเพ่งน่าจะจากการนั่งสมาธิแล้วเพ่ง ไม่รู้เหมือนกันมันเขียนมาใหม่ด้วยกันเดี๋ยวตอไปไม่ถูกก็ต้องเพ่งทีเวลานั่งสมาธิก็ต้องเพ่งพุโทโธในการการบริการพุโทโธก็เป็นการเพ่งพุโทโธการดูลมก็เพ่งดูลมนะเห็นต้องเพ่งเวลานั่งเวลาทําสมาธิต้องเพ่งกับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจดจ่อไหคนคำว่าเพ่งก็คือจดจอ่อคําถามจากคุณวิชยัยกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทำอย่างไรจะทำให้ใจสงบทุกๆวันไม่คิดฟุ้งอย่างถาวรเจ้าคะออก็ต้องฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนต้องมีพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมคอยหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดความคิดที่จาเป็นต้องคิดก็ปล่อยให้คิดได้ พอจะไปคิดเรื่องไม่จำเป็นต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธคอยหยุดมันไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะสงบไปทั้งวันเย็นไปทั้งวันสบายไปทั้งวันคาถามจากคุณเข้าหอมกราบพระอาจารย์ครับเรียนถามคุณแม่นิมิตเห็นพระอาจารย์มาบอกว่าให้มาฟังธรรมะจากเราสิ แตไม่เหมือนฝันครับสาธุก็ดีไงก็คุณก็ได้มาฟังแล้วไม่ใช่เหรอดิมิตนี้ถ้าชวนให้ไปทําในสิ่งที่ดีก็ทําตามเลยถ้าชวนให้ไปกินเหล้าเมา ย, ยาก็อย่าไปทําตามนะนะต้องดูว่าดิมิตนี้เขามาชวนให้เราไปทําดีแล้วทําไม่ดีถ้าทําไม่ดีก็อย่าทําตามถ้าโกหกเราก็อย่าไปเชื่อ เช่นมาบอกว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเราต้องตรวจดูว่าเป็นจริงหรือไม่ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยู่หรือไม่บางทีคนถูกไปเชื่อนิมิตแล้วก็หลงไปบางคนคิดว่าเป็นเป็นอะไรชาติก่อนมาเกิดเป็นแฟนของพระรูปนี้มาเกิดก็มีบางทีนั่งไปแล้วแล้วก็ไปทวงพระรูปนี้พี่เคยเป็นแฟนกับหนู้เนี่ยเด <laughs> <laughs> ี๋ยวพระทั้งกายุ่งอเลย น่าอย่าไปเชื่อนะน้มยึดถ้ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงเราต้องดูความจริงด้วยคำถามจากคุณทัญวรรนะคะที่เรื่องแก้ลกการเพ่งเจ้าค่ะกราบธรรมสการพระอาจารย์เมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วยังพิจารณาพุโทโธต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะเอถ้ามันสงบแบบนิ่งจริงๆมันมันจะหยุดไปเองมันต้องสงบแบบตกลุมตกบ่อถึงจะสงบเต็มที่ พมอมันรูปลงไปทีนี้พุโทโธมันก็หาให้ไปนี่เหลือแต่สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆดูกับอยู่กับความสงบไปอย่างสบายมีความสุขตอนนั้นก็ไม่พุโทโธแต่ถ้ายังพุโทโธได้อยู่แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ก็พุโทโธต่อไปเรื่อยๆมีคำถามมั้ยมีเพิ่มมาอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอสอบถามเจ้าค่ะ ว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวทำผิดศีลและทำไปยุ่งกับคนอื่นๆโดยการไปหลอกคนอื่นๆว่าไม่มีครอบครัวการกระทาที่เขาทำนี้จะตกมาถึงลูกสาวใหม่เจ้าคะ อ, อ๋อไม่ตกหรอกกรรมใครกรรมมัน เ, ออเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้รับผลของกรรมนั้น เ, ออเขาทำเขาก็เป็นผู้รับผลของเก่าไปเพียงแต่อาจจะเราอาจจะรับผลกระทบ ที่เกิดจากเขาเช่นเขาเป็นอะไรไปเขาไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้เราก็เดือดร้อนไปเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นเพราะเป็นกรรมของเราเป็นเพราะว่าเราพึ่งพาสายเขาอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาสายของเราได้ต่อไปเพราะเขาต้องรับวิบากกรรมของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องผลกระทบแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงผลโดยตรงเราไม่ได้เราไม่ได้ทํากรรมนั้นเราก็จะไม่ได้รับผลของกรรมนั้น หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้ค่ะโอเคหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ